ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปอปยุตโตตอนที่หกสิบบัดนี้ได้กล่าวคำลาสิกขาโดยมีพระสงฆ์เป็นสักขีพยานสำเร็จการสละเพศบรรพชิตมาเป็นคฤหัสถ์แม้จะมาเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ ยังอยู่ในพุทธบริษัทเรียกเรายัางเป็นชาวพุทธอยู่เพียงแต่เปลี่ยนเพศจากบรณชิตมาเป็นฝ่ายอุบาสกเพราะฉะนั้นจึงได้เข้ามากล่าวคำขอสรนะละศีลประกาศตนว่ายังนับถือพระจันรไตรและจะได้ประพฤติธปฏิบัติ ตามหลักคำสอนของพระสมมัติสมุทธเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่ศีลห้าเป็นต้นไปโดยเฉพาะทั้งสามท่านได้บทเรียนแล้วก็ยิ่งได้รู้หลักพระธรรมวิริไนมีทุนที่จะได้นำไปใช้ประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตที่ดีงาม นอกจากว่าจะพึ้นด้วยตนเองแล้วก็สามารถเป็นผู้แนะนำชักจูงผู้อื่นให้มีศีลธรรมเพื่อช่วยกันสร้างสารรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยก็อนุโมทนาที่ทั้งสามท่านได้มาคุปสมบท ด้วยศรัทธาในพระศาสนาและมีฉันทะในการเล่าเรียนศึกษาโดยความสนับสนุนของคุณพ่อคุณแม่ญาติมิตรทั้งหลายโดยมีน้ำใจที่มีเมตตาความรักความปรารถนาดีก็ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันเมื่อทำบุญร่วมกันแล้วก็หวังว่าจะได้มีใจร่วมกันในการที่จะ ดำเนินชีวิตทำกิจการงานต่อไปซึ่งจะทำให้เกิดความอบอุ่นมีความสุขเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเวลานี้ก็เป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายเปลี่ยนแปลงเพศก็เป็นเหตุการณ์สำคัญซึ่งควรจะได้ให้พรเมื่อกี้นี้รับศีลและทีนี้ก็รับพร และพรที่ประเสริฐก็คือธรรมะนี่เองธรรมะนั้นเป็นพรนที่ดีเลิศยิ่งกว่าพรใดๆเพราะว่าเป็นไปตามหลักเหตุปัจจัยเมื่อมีปัญญารู้เข้าใจธรรมะนำไปพื้นปฏิบัติแล้วผลดีก็ย่อมเกิดขึ้นตรงตามเหตุปัจจัยนั้นธรรมะที่จะนำมาเป็นพรนก็ให้สอดคล้องกับ เหตุการณ์นี้ในการที่ท่านทั้งหลายจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตคฤหัสถ์ต่อไปธรรมะที่เหมาะกับเหตุการณ์นี้ก็คือหลักคำสอนสำหรับคฤหัสถ์โดยเฉพาะก็หลักที่เรียกว่าขีวินในซึ่งทั้งสามท่านก็ได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยแต่ความจริงนั้นต้องให้แม่นเลย ที่วินัยนี้ต้องให้ว่าปากเปล่าได้จำแม่นติดใจเลยนึกถึงเมื่อไรก็ปรากฏชัดแจง้งถ้าอย่างนี้เราก็ถือว่าเป็นขี่วินัยจริงๆพอหากว่าจำไม่ได้วินัยก็ไม่สามารถจะปรากฏขึ้นมานอกจากว่าจำได้ก็นำไปประพปฏิบัติ ด, ด้วย วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่จะนำเอาหลักขีวินายหรือวินัยของคฤหัสนี้มาทบทวนเป็นเครื่องเตือนใจในการดำเนินชีวิตด้วยแล้วก็ในการที่จะนำไปแนะนำสั่งสอนผู้อื่นเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามเพราะว่าคฤหัสนั้นก็มีวินัยเช่นเดียวกันไม่เฉพาะพระภิกษุมีวินัย เรื่องนี้จะต้องมาเตือนใจกันอยู่เสมอเพราะว่าชาวพุทธมักจะลืมว่าตนมีวินัยที่จะต้องรักษาก็เลยนึกว่ามีแต่พระที่มีวินัยแล้วมงันก็ไปมองวินัยเช่นวินัยทหารเป็นต้นแต่ที่จริงขรรค์ทุกคนชาวพุทธทุกคนต้องมีวินัย วินัยของกริหัส์นี่ก็ไม่มากไม่ถึง227ข้อแต่ว่าถ้าประพฤติปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ครอบคลุมหมดคือเรื่องความประพฤติที่ดีงามก็รวมอยู่ในนี้นี่คือวินัยวินัยของกฤรหัสต์สำหรับสร้างสารรค์ชีวิตเป็นระเบียบชีวิตด้วยเป็นระเบียบสังคมด้วย ก็แยกเป็นสามส่วนด้วยกันก็ขอให้ทั้งสามท่านนี่ทวนระลึกไปในใจด้วยเพื่อจะได้เกิดความแม่นยำก็จะเป็นการทวนให้ในใจก็ของตนเองก็ระลึกไปตามก็มีส่วนที่หนึ่งเป็นส่วนของการละเว้นความชั่วชำระชีวิตของเรานี่ให้โล่งเบาสะอาดเหมือนกับคนที่อาบน้าชำระร่างกาย ให้พ้นสิ่งโสโปรกมัวหมองเราก็จะได้รู้สึกก่เบาตัวจะทำอะไรก็สบายส่วนที่หนึ่งนี่ก็คือการละเว้นความชั่วสิ่งเสียหายส4บสี่ประการมีอะไรบ้างส4บสี่ประการก็จัดเป็นสามหมวดหมวดที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของกรรมที่ทำให้ชีวิตมัวหมอง มีสี่ข้ออันนี้เป็นเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มด้วยศีลห้าคือศีลห้านั้นหมายความทําอะไรไม่ได้ก็ให้ได้ศีลห้าแต่ทีนี้ขี่วิไนัยนี่ขยายออกไปอีกต่อจากศีลห้าก็เริ่มได้สี่ข้อแรกของศีลห้าคมที่ทำให้ชิตหมมหมองก็คือการเบียดเบียนกันในสังคมมนุษย์การสร้างเวรสร้างภายัยหนึ่งก็เบียดเบียนผู้อื่นทางด้าน ร่างกายและชีวิตคือการทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตเรียกว่าปานาติบาสองก็การทำร้ายผู้อื่นในเบียดเบียนเรื่องทรัพย์สินเรียกว่าทินนาทานสามก็การล่วงละเมิดคู่ครองของเขาเรียกว่าการเมสมิชัดฌารสี่ก็การทำร้ายผู้อื่นในทางวา จ, จาหลอกลวงเขาทำลายผลประโยชน์ของเขาโดยถ้อยคำเท็จ สี่ข้อนีเป็นเรื่องของเวรไยพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์มีความเดือดร้อนแล้วก็สังคมก็ต้องเกิดการขัดแย้งกันทะ mm hmm. เลวิวาทอยู่กันไม่สงบสุขถ้าสี่ข้อนี้เราพ้นไปได้ก็โปร่งเบาไม่มีเวรไภอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งเรียกว่ากรรมกิเลตกรรมที่ทำให้ชีวิตโมหมองสี่ประการต่อไปก็ ก้าไปสู่หมวดที่สองหมวดที่สองก็เป็นเรื่องที่เบาลงมาแต่เกี่ยวข้องกับตนเองมากขึ้นก็นนคือการที่จะทําให้ชีวิตของเรานี่พ้นจากหลุมอบายหลุมความเสื่อมที่จะทําให้การดำเนินชีวิตไม่ก้าหนาพราหมวไปตกหลุมแล้วก็ชีวิตกระดับสำคัญเรื่องการที่จะมีทรัพย์สินเงินทองถ้าไปตกหลุม ความเสื่อมที่เรียกก็อาบายามุกแล้วก็จะทำให้ไม่ขยันไม่เอาใจใส่ไม่ค้นขวายในหน้าที่การงานแล้วก็ผลัทซับท่านเรียกว่าซับที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดซับที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้หมดไปอาบายามุกก็มีหกประการด้วยกันหนึ่งก็คือข้อสุดท้ายของศีน่า การเป็นนักเลงสุรายาเมาสิ่งเสพติดแล้วต่อไปก็ข้อสองก็เป็นนักเลงการพนันสองข้อนี้ก็สังคมไทยนี่มากเหลือเกินอบายยมุกก็แสดงว่าสังคมไทยนี่ตกหลุมอบายตกหลุมความเสื่อมแค่นี้ก็ไปไม่ค่อยไหวท่านเ้นก็ต้องถอนตนให้พ้นจากอบายยมุกลุมอบายนี้ไปสองข้อแลละ แล้วต่อไปข้อสการเที่ยวกลางคืนเที่ยวไม่เป็นเวลาซึ่งทําให้เสียเวลาการงานการศึกษาแล้วก็ก่อเวรไภเป็นทีิวาดระแวงทําให้ทะเละวิวาทกันได้ง่ายเสียสุขภาพทําให้ครอบครัวไม่เป็นสุขแทนที่จะมีความพอุ่นครอบครัวก็เลยเสียไปมีทางมาของความเสียหายหลายประการ เที่ยวกลางคืนก็เว้นได้ก็จะทำให้ชีวิตนี้มีโอกาสในการทำสิ่งที่ดีงามมากขึ้นเอาเวลาไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปข้อที่สี่อบายามุข ก, ก็คือการหมกมุ่นในการบันเทิงเห็นกับการบันเทิงจนกระทั่งก็ทำให้เสียาการศึกษาเสียาการเสียงานเสียสุขภาพเป็นต้นอีก อันนี้เวลานี้ก็การหมกบุ่นการบันเทิงก็มากเพราะาการบันเทิงนี้เข้ามาถึงในบ้านในห้องนอนโดยพกสื่อต่างๆไม่ต้องไปหาข้างนอกก็ได้ในบ้านก็เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังก็อยู่ที่ตนเองต้องมีความเข้มแข็งไม่หล่นลงไปในหลุมอันนี้ก็สี่ข้อแล้วต่อไปก็ข้อ5้าการครบคนชั่วเป็นมิตรเมื่อคบคนชั่ว ควบคนเช่นไรก็เป็นเช่นคนนั้นคบคนนักเลงสุรายาเสพติดก็พาไปติดยาควบนักเลงการพ น, นันก็พาไปเล่นการพ น, นันควบนักเที่ยวก็พาไปเที่ยวควบพวกพพพพพโหนไม้ก็พาไปตีกันพบแม้ครบแม้แต่คนเกลียดคลานก็พาให้ขี้เกียดไปด้วยเพราะนั้นก็ต้องระวังก็ไม่คบคนชั่วเป็นมิตรแล้วข้อสุดท้ายก็ความเกลียดคลานในการงาน รวมทั้งการเล่าเรียนศึกษาอ้างโน่นอ้าง น, น, างนี่ไม่ยอมทำหน้าที่ของตนเองเพราะนั้นก็ให้มีความเข้มแข็งไม่เห็นไม่ยอมกันหนาวร้อนเป็นต้นถ้าหากว่าพ้นอบายามุกหประการนี้ได้ก็ชีวิตก็มีทางที่จะเจริญก้าวหน้าและแสดงถึงความมีจิตใจเข้มแข็งด้วย กพระคนที่จะตกหลุอมอบายามุกในปกติก็เป็นเพราะความอ่อนแอไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรั้งตนเองและไม่สามารถยืนบนขาของตัวเองได้เต็มที่ <Yeah. S 1> ก็เลยสุดลงไปหรือหล่นลงไปอันนั้นก็ให้พ้นจากอ บ, บายามุกอีกหกประการนี้ต่อไปก็ยังมีสิ่งเสียหายอีกสี่ อีกสี่นี้ก็เป็นเรื่องคนที่จะเริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นพอเราเติบโตขึ้นมาก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้าที่ทํางานหัวหน้าหมู่ชนมีความรับผิดชอบคนที่เป็นหัวหน้าก็จะต้องดํารงรักษาหมู่คณะตนเองนั้นให้มีความสามารถขี่เป็นต้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็ท่านก็จะให้หลักว่าอย่าให้เสียความเป็นธรรม การที่จะเสียความเป็นธรรมก็เกิดจากการลำเมิดอคติการล่วงอคติ4ประการอาคติ4ประการก็คือความลำเอียงลำเอียงอะไรหนึ่งลำเอียงเพราะชอบกันลำเอียงเพราะรักเรียกว่าชันถาคติสองลาเอียงเพราะฉังไม่ชอบเรียกว่าโทษาคติสามลำเอียงเพราะเขา่าเพราะไม่รู้เรื่อง เพราะไม่ใช้ปัญญาใจตรองเพราะไม่หาข้อมูลข้อเท็จจริงดวนผีแผลมตัดสินลงไปเรียกว่าโมหคติลำเอียงเพราะหลงเพราะเข่าสี่ลำเอียงเพ ร, ะพระเาพระกลัวเพราะกลัวก็ไม่สามารถรักษาความเป็นธรรมได้อันนี้ก็อคติสี่ประการถ้าเว้นจะได้เราก็จะรักษาความเป็นธรรมได้นี่ก็ครบและสามหมวดของสิ่งเสียหายที่ต้องละเวน้นสาหรับวินัยของคารืหัด สิบสี่ประการก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่ายากยากสาหรับสังคมไทยเวลาปัจจุบันเพราะว่าสังคมไทยเดี๋ยวนี้เหลวไหลไปเยอะต้องมีความเข้มแข็งพวกเราเชาวพุทธจะต้องฟืฟ้นฟูสังคมขึ้นมาให้ได้เนี่ยน่นี่ส่วนที่หนึ่งต่อไปส่วนที่สองส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของการวางพื้นฐานชีวิต การวางพื้นฐานชีวิตก็มีเรื่องสองอย่างคือหนึ่งการเงินเศรษฐกิจสองเรื่องของคนการจัดการเรื่องคนกระดานที่หนึ่งก็เรื่องเงินทองเรื่องเงินทองนี่เป็นฐานสำคัญของชีวิตขรืหัตถ้าการเงินไม่ดีจะทำให้เกิดทุกข์มาเกิดความเดือดร้อนกังวล น, นอกจากทุกข์แล้วก็จะทำอะไรก็ขัดข้องแทนที่จะปลอดโปร่งทาอะไรได้ เดินหน้าไปก็มัวพวภกพวงนั่นท่านก็บอกว่าให้จัดการเรื่องการเงินทรัพย์สินให้มันดีให้มั่นคงและมั่นใจเราจะได้กล้าไปสู่การทำหน้าที่การงานการศึกษาได้เต็มที่เต็มใจของเราการเงินนันก็มีสอ ง, สองระดับขั้นที่หนึ่งก็คือการแสวงหาด้วยความขยันหมั่นเพียร ก็ให้ขยันเหมือนมแมลงพึ่งมแมลงพึ่งนี่ถึงเวลาก็ออกละไม่อยู่แล้วก็แม้แต่เล็กๆน้อยๆก็เก็บสะสมได้ได้นำหวานเกสรดอกไม้อะไรนิดๆหน่อยๆมาสร้างรังให้ใหญ่โตโดยมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเช่นอย่างในครอบครัวก็ต้องมีความสามัคคีกันก็จะทำให้การเงินเนี่ยดี นะขยันหาแล้วก็รักษาให้ดีแต่ทีนี้ขั้นต่อไปก็วางแผนการใช้ใจ่ายตรงนี้พระพุทธเจ้าจะเน้นเรื่องการวางแผนการใช้ใจ่ายถ้าการใช้ใจ่ายเรื่อยเปื่อยไม่มีแผนมันก็ทําให้ไม่มั่นคงและไม่มั่นใจคนที่มีแผนจัดทําอะไรตามแผนที่วางไว้ก็คือมีระเบียบนั่นเองเมื่อมีระเบียบแล้วก็เกิดความมั่นใจ พอ น, นึกขึ้นมาก็ชัดเจนว่าการเงินของเราเป็นอย่างไรจะใช้ใจ่ายอะไรเท่าไหรเนี่ยอันนี้ต้องชัดต้องแม่นก็ขอย้ำว่าเรื่องการเงินนี่คนไทยเราก็ปล่อยประละเลยอยู่ในความประมาทกันมากอันนั้นก็ควรจะนำหลักที่พระพุทธเจ้าสอนมาใช้เป็นชาวพุทธแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามแม้แต่เรื่องง่ายๆเอาแล้ววางแผนการใช้ทรัพย์ก็จัดทรัพย์เป็นส่วน ว่าจะใช้ใจ่ายอะไรอเท่าไหรท่านก็วางไว้เป็นตัวอย่างนี่ตามสมัยโบราณอาจจะใช้ให้เหมาะกับสมัยนี้ก็มาปรับเอาแล้วก็บอกให้จัดสรรทรัพย์เป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งนะให้ใช้ใจ่ายแล้วใช้ใจ่ายก็แบ่งไปอีกใช้ใจ่ายเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบิดามารดาเลี้ยงคนในปกครองดูแลทั้งหลายที่เรารับผิดชอบให้เป็นสุขเมื่อ ทุกคนที่เรารับไปชอบเป็นสุขแล้วทีนี้ก็มีเงินเหลือจากนั้นก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เขาตกทุกข์ใดอยากเป็นต้นทาการกุศลทําความดีอะไรที่เป็นการสร้างสารรค์สังคมก็ร่วมช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยอยู่ในส่วนที่หนึ่งที่เรียกว่ า, ชาใช้จ่านยะก็ไปคิดดูวางแผนให้ดีต่อไปอีกสองส่วนลงทุนทากิจการงานการงานนี่เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตท่านให้มาก ให้สองส่วนเลยจะทำงานอะไรก็ว่าไปตามงานนั้นทีนี้ต่อไปอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นหลักประกันชีวิตในยามจาเป็นเพราะว่าธรรมชาติก็ดีสังคมก็ดีชีวิตของทุกคนก็ดีเนี่ยตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นประมาทไม่ได้ก็ต้องสร้างหลักประกันไว้ก็คือเก็บทรับไว้ส่วนหนึ่ง ว่าเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ขาดฝันก็มีใช้จ่ายนะอันนี้อหไรเป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความมั่นใจและก็มีความมั่นคงในเรื่องการเงินพอการเงินมั่นคงแล้วทีนี้ส่วนอื่นก็จะพลอยมั่นคงและก้าวไปได้ต่อไปก็อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องคนเรื่องคนก็คือรู้จักคบหาเลือกคบทั้งคนระดับเดียวกันทั้งคนที่มา ช่วยงานทั้งคนที่เราจะไปปรึกษาหารือเป็นครูอาจารย์เป็นผู้บังคับบัญชาหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นถามความเจริญก้าวหน้านะครับท่านก็ให้เลือกครบมิตรให้เว้นครบเว้นมิตรเทียมหรือศัตรูผู้มาในร่างมิตรี่ประเภทซึ่งมีลักษณะประเภทละสีแล้วก็คบหามิตรแท้คือมิตรได้ใจจริงซึ่งมีสประเภท แต่ละประเภทก็มีลักษณะอย่างละสี่อันนี้ก็ให้แต่หัวข้อเปน็นอันนะโดยสาระสาคัญก็คือว่าเลือกคบคนแล้วก็เลือกคบคนดีเว้นคนชั่วแต่ว่าท่านก็ยกเว้นมาว่าไม่คบคนผ่านเว้นแต่จะช่วยเขาไม่ใช่หมายความว่าจะไม่เอาใจใส่คนโง่คนผ่านคนเลวซะเลยคือถ้าเราแข็งพอ เราก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นดึงคนผ่านคนไม่ดีขึ้นมาสู่ความดีงามอา้าวทีนี้ต่อไปก็เอาละแต่หัวข้อพอสมควรนี่ต่อไปก็ก้าไปสู่ส่วนที่สามส่วนที่สามนี่เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมสังคมการมีชีวิตที่เกื้อกูลต่อผู้อื่นแล้วก็ทําหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์ให้ถูกต้องเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมก็อยู่รอบตัวเราท่านก็บอกว่า คนเหล่านั้นก็อยู่ในสถานะต่างๆโดยสัมพันธ์กับตัวเรานักทั้นก็เลยแบ่งคนเหล่านี้เป็นหมวนทิศเป็นทิศทั้งหกก็แบ่งคนเป็นสถานะต่างๆ ต, ต, ต, ต, ตามทิศเหล่านี้เริ่มด้วยทิศที่หนึ่งคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้าผู้มาก่อนก็ได้แก่บิดามารดาคุณพ่อคุณแม่มาก่อนเราเป็นผู้นำชีวิตของเรา แล้วก็เป็นผู้ถ่ายทอดทรัพย์ต่างๆให้ทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในนี่ที่เราได้เจริญเติบโตรู้จักดำเนินชีวิตนี้ก็อาศัยคุณพ่อคุณแม่ถ้าเรียกว่าเป็นบูรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกได้เรียนวิชาจากพ่อแม่ก่อนเรียนโดยจะไม่รู้ตัวทำตามท่าน ทั้งทำตามมากับกิริยาพุติกรรมทั้งทำตามคำพูดแนะนำของท่านทั้งถ่ายทอดทางความรู้สึกจิตใจได้หมดนี่ก็เลยเป็นผู้มีพระคุณสูงเพราะาเป็นอาจารย์คนแรกเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นผู้นำแล้วก็ท่านก็ให้มาจนกระทั่งว่าการที่จะนำสู่การศึกษาเล่าเรียนเป็นต้น ก็เลยให้มีหน้าที่ต่อคุณพ่อคุณแม่หประการด้วยกันเรียกว่าวัยทิศวัยทิศวัยทิศที่หนึ่งก็คือทําหน้าที่ต่อคุณพ่อคุณแม่ให้ถูกหนึ่งท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบแทนสองแม่จะยังไม่มีกําลังเลี้ยงท่านได้ก็ช่วยเหลือธุระการงานรับใช้ท่านสา ดำรงรักษาวงตระกูลอย่างน้อยก็รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของพ่อแม่ไว้ให้ดีไม่ให้เสื่อมเสียไปเพราะเราแต่ว่าช่วยเชิดชูให้สูงยิ่งขึ้นสี่ก็ทำตนให้สมเป็นทา ย, ยาทเป็นผู้รับมรดกให้รับมรดกทั้งทางทรัพย์ท า, ท, าทางวัตถุและทรัพย์าาภายในคือพ่อแม่มีคุณทําความดีความขยันมันเพียนอะไรก็ รู้จักรับรู้จักถ่ายทอดเอามาก็รับทรัพย์มรดกทางนามธรรมด้วยแล้วก็หา้ามเมื่อทัานลงรับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศให้ทันอันนี้ก็เป็นหน้าที่ต่อพิดามันดาถ้าเป็นพ่อแม่เองก็ทําหน้าที่ต่อลูกห้าประการนี่ก็เป็นตัวอย่างเอาทิศที่หนึ่งเป็นตัวอย่างต่อไปทิศที่สองทิศเบื้องขวาครูอาจารย์เป็นลูกศิษย์ก็ทําหน้าที่ต่อครูอาจารย์ห้าเป็นอาจารย์ลูกก็ทําหน้าที่ต่อลูกศิษย์ห้า ต่อไปก็ทิศเบื้องหลังทิศเบื้องหลังก็คือผู้มาทีหลังได้ก็คู่ครองคู่ครองนี่อีกนานตามหลังพ่อแม่มันนานนานตั้ง20ปี30ปีนี่นทิตเบื้องหลังนี่ก็มีหน้าที่ต่อกันก็คือสามีพัญญาสามีก็มีหน้าที่ต่อพัญญาห้าพัญญาก็มีหน้าที่ต่อสามีห้าอย่าง ก็ทำหน้าที่ต่อการให้ถูกต้องต่อไปทิศที่สีทิศเบื้องซ้ายก็ผู้เกื้อนหนุนกันประคับประคองกันทำให้อย่างน้อยอบอุ่นใจก็ได้แก่มิตร เ, เพื่อนต่อเพื่อนก็มีหน้าที่ต่อการฝ่ายละห้าต่อไปทิศที่ห้าทิศเบื้องล่างได้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาคนรับใช้คนงานกรรมกร ก็มีหน้าที่ต่อการระหว่างนายงานกับคนงานฝ่ายละห้าเช่นให้มีความเป็นธรรมมีน้ำใจต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลเอาใจใส่กันให้ดีงามเพื่อจะให้งานส่วนรวมดำเนินไปได้ดีถ้าทั้งสองฝ่ายทางนายงานคนงานมีน้ำใจต่อกันแล้งานส่วนรวมก็เดินไปได้ดีก็เป็นประโยชน์ร่วมกันนั่นเองต่อไปทิ่ที่หก็ทิศเบื้องบนได้แก่ สมณะผ่าพระสงฆ์พระสงฆ์ก็มีหน้าที่ต่อการก็ญาติโยมญาติโยมครัสตจักก็มีหน้าที่ต่อพระสงฆ์ห้าพระสงฆ์ก็มีหน้าที่ต่อญาติโยมหกตอนนี้ญาติโยมก็ไม่รู้มีหน้าที่ต่อพระสงฆ์อย่างไรพระสงฆ์ก็บางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหน้าที่ต่อญาติโยมอย่างไรเนี่ยแสดงว่าทิศหวินัยของชาวพุทธเนี่ยมันเลื่อนลางไปหมดแล้ว ก็อยู่กับไปงั้นถวายพระตาหารไปทันกัฉันไปพระกัฉันเสร็จแล้วก็ไปตามเรื่องของท่านไม่รู้ว่ามีหน้าที่ยังไงต่อกันก็เนี่ยฝ่ายละห้ากับหมีพระอันเดียวทั้งหมดหทิศเนี่ยที่มีหน้าที่มากที่สุดคือทุกข้อเนี่ยเขามีหน้าที่ฝ่ายละห้าแต่พระเนี่ยมีหน้าที่หอย่างสุดท้ายเลย แต่ว่าโดยสาระก็คือพระมีหน้าที่ต่อญาติโยมคือให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานฝ่ายโยมก็มีหน้าที่ต่อพระเรียกว่าอภิสทานหมายความพระเนี่ยมีหน้าที่ดำรงรักษาธรรมะไว้ให้แก่สังคมมนุษย์เพราะสังคมมนุษย์จะอยู่ดีได้ต้องมีธรรมะนี่เมื่อพระสงฆ์ท่านดำรงธรรมะไว้ให้ญาติโยมก็เลยถือเป็นหน้าที่ว่าเราจะต้องเกื้อนหนุนให้ท่าน ไม่ต้องมาห่วงใหญ่ชีวิตด้านวัตถุแล้วท่านก็ต้องการวัตถุน้อยอยู่แล้วนะีว่เพราะเลยบอกท่านว่าท่านไม่ต้องห่วงกังวล น, นะวัตถุนะฉันจะเรียกดูเอาใจใส่เองท่านตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ธรรมะไปเถิดเนี่ยที่ญาติโยมเขาอุปถัมภ์บำรุงก็เพื่ออันนี้คือให้พระได้ไม่ต้องกังวลวัตถุจะได้ตั้งใจ อุทิศเวลาอุทิศเรีย่ยวแรงกําลังให้แก่การศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติและเผยแพร่ธรรมได้เต็มที่ถ้าทั้งสองฝ่ายทําหน้าที่ต่อกันได้ดีเนี่ยสังคมก็จ ะ, จะเจริญมั่นคงก็อยู่ที่เนี่ยถ้าชาวพูดเพียงจะรู้ห น, น้าที่ต่อกันนี่สังคมก็ดีขึ้นเยอะเลยใ น, นการเรื่องของทิศหกก็คือหน้าที่ต่อกันระหว่างคนในสังคมนั่นเองถ้าเป็นตัวเราก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อทิศทั้ง6กนี้ให้ถูก ในกระจัวจะจบและวินัยของคขาเรือก็เหลืออกหมวดเดียวหมวดเดียวก็มองกว้างคราวนี้มองคลุมทั้งสังคมว่าเราทุกคนนะัมีหน้าที่ที่จะประสานสังคมนี้ให้เป็นเอกภาพมีความสามัคคีมั่นคงด้ยการปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห์เรียกว่าสังคาวัตถุสี่ประการสังขาวัตถุสี่ประการนี่เป็นหลักสำคัญเพราะว่ามนุษย์เหล่านี้ มีโอกาสมีกำลังมีความสามารถไม่เท่ากันถ้าไม่เกื้อหนุนช่วยกันแล้วสังคมก็จะอยู่ได้ดีไม่ได้นะแล้วก็จะเบียดเบียนกันแทนที่จะปล่อยกันไปก็ให้มาเกื้อหนุนกันซึ่งจะได้ทางจิตใจก็ดีด้วยท่านก็เลยให้หลักสังหาวัตถุสี่ประการไว้เป็นหลักการประสานสังคมและยึดเหนี่ยวกันไว้ยึดเหนี่ยวใจกันก็หนึ่ง ยึดเหนียวใจการประสานสังคมด้วยอะไรด้วยการให้ท่านเรียกว่าทานคือมีทรัพย์สินเงินทองสิ่งของเครื่องใช้ตลอดจนวิทยาความรู้ก็มาเผื่อแผ่กันคนที่เขาได้โอกาสขาดกำลังหรือมีปัญหาหรือเกิดภัยพิบัติก็ได้ช่วยเหลือกันนะก น, นี่กีก็หนึ่งให้ด้วยเมตตาในายาปกติ สให้ด้วยกรุณายามเขาเป็นทุกข์เดือดร้อนประสบภัยพิบัติ 3. ให้นยามเขาทำดีประสบความก้าวหน้าเป็นการเก้าวหนุนส่งเสริมต่อไปก็ข้อสองก็สงเคราะห์กันได้วาจามีน้ำใจแล้ว่าปิยวาจาคือว่ายามปกติก็พูดกันได้เมตามาตาไม่ตียามเขาทุกข์เดือดร้อนก็ใช้วาจาปลอบโยนแนะนำวิธีแก้ปัญหา ยามเขาทำดีงานประสบความการนาสำเร็จก็ใช้วาจาส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจแล้ ว, ลวก็ต่อไปก็ข้อที่สามอัธยจริยาใช้เรี่ยวแรงกำลังความสามารถไปช่วยเหลือเกื้อหนุนผู้อื่นด้วยเมตตายามปกติด้วยกรุณายามเขามีความทุกข์เดือดร้อนเช่นตกน้ำ ติดไฟใหม่หรือมีความอ่อนแอเจ็บใครได้ป่วยแล้วก็ใช้กำลังเลี่ยวแรงของตนไปเกื้อนหนุนผู้อื่นที่เขาทำความดีเช่นเขาทำอะไรที่เป็นการสร้างสรรสังคมทาบุญทำกุศลก็ไปร่วมช่วยให้แรงให้กำลังความสามารถส่งเสริมการทำความดีก็ทำได้มุทิตานี่เรียกว่าทัจริยาแล้วก็ข้อสสุดท้าย ก็คือมีความเสมอภาคมีตนเสมอเรียกว่าสมานตัตตานะคือว่าอยู่ด้วยกันก็ไม่ดูถูกดูหมิ่นเยียดหยามกันอยู่ด้วยกันก็ไม่เอารัดเอาเปรียบกันอยู่ด้วยกันก็ไม่เลือกท่รักผลักท่ชางให้ความเสมอภาคกันแล้วก็อยู่ด้วยกันก็ร่วมสุขร่วมทุกข์กันไม่ทอดทิ้งกันในยามมีทุกข์ร่วมกันแก้ปัญหาเรียกว่าสมานตัตตา เราตัวเอาตัวเข้าเสมอเสมาในครบสี่ประการนี้ก็เป็นหลักที่จะทําให้สังคมทุกระดับเนี่ยมีความสามาัคคีแล้วก็อยู่กันได้ดีมีความสงบสุขจเจริญมั่นคงตั้งแต่ในครอบครัวเป็นต้นไปพ่อแม่ก็ต้องใช้สังฆวัตถุสี่ประการนี้กับลูกแล้วก็ต่อไปก็ขยายไปทั่วทั้งสังคมเนี่ยหมดเนี่ยทั้งเรียกว่าขีวิในเนะี ประชาชนทุกคนเนี่ยอยากจะให้จําให้แม่นว่าคียวิตย์นวิทย์ในของกฤหัตเนี่ยแค่นี้แหละสังคมไทยเนี่ยเจริญมั่นคงแน่แต่แค่คียวินัยนี้ชาวพุทธไทยก็ทําไม่ได้เนียอย่าว่าจะทําไม่ได้เลยรู้ยังไม่รู้เลยเนียก็จะทําทไงนีเพราะฉะนั้นสังคมก็เป็นอย่างนี้แล้วจะมาว่าพระพุทธศาสนา ก็ไม่เห็นช่วยสังคมเลยก็เราไม่เอาพุทธศาสนาแล้วนะฉะนั้นขอให้ฟื้นฟื้นกันขี้วินยัยวินัยของคารึงหัตย์อย่ามองแต่เพียงวินัยพระเดี๋ยวจะไปดูพระไม่เห็นประพฤติตามวินัยนะพระเสื่อมแต่โยมเสื่อมก่อนแหลนะเพราะว่าโยมนี่ไม่รู้จักวินัยมานานแล้วนะก็เลยต่อมาพระก็เสื่อมบ้างนะทีนี้พอเสื่อมครบสองฝ่ายคราวนี้ก็หมด อะไรตอนนี้ต้องลื้อฟื้นแล้วพระก็พระจะมีวินัยดีเมื่อโยมมีวินัยด้วยถ้าว่าโยมมีวินัยดีตั้งอยู่ในขีวินัยเนี่ยพระโดนล้อมกรอบนะพระไม่มีทางแหละพระก็โดนคุมโดยศรัทธาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะโยมอยู่ในวินัยแล้วพระก็ดิ้นไม่ได้แล้วพระก็ต้องอยู่ในวินัยด้วย ก็คุมกันเป็นชั้นๆคุมกันด้วยความเคารพนับถือปฏิบัติที่ถูกต้องณตอนนี้ก็เลยมาย้ำเรื่องขีว่วินัยวินัยของครือหัดเนี่ยสามส่วนก็มีหนึ่งเว้นความชั่วเสียหาย14ประการสองวางฐานชีวิตให้มัน่นสองด้านแล้วก็สามก็ทาหน้าที่ต่อสังคมนให้ถูกต้องโดยหลักที่ถูกแล้วก็สังหาวัตถุสี่ จบขีวิไนแล้วทีนี้ก็ชีวิตก็มีระเบียบสังคมก็มีระเบียบ <c oughs> การจัดระเบียบสังคมสาเร็จ <c oughs> ตอนนี้ก็สังคมไทยกำลังพยายามแค่จัดระเบียบกันตอนนี้ก็หนักหนาเต็มทีนี่พอมีคีวิไนระเบียบชีวิตระเบียบสังคมดีแล้วท่านก็บอกเอาแล้วตอนนี้เดินหน้าต้องวางจุดหมายชีวิตแต่ละคนก็ดาเนินชีวิตไปสู่จุดหมายพระพุทธเจ้าก็วางจุดหมายว้ให้อีก โดยมากคนเนี่ยไปคิดกันเอาอะไรเป็นจุดหมายชีวิตมักจะมองอันเดียวพระพุทธเจ้านี่ตรัสแบ่งเป็นระดับระดับเป็นขั้นขั้นก็วางระดับจุดหมายเป็นสามขั้นนะทั้งสามท่านนี่คงแม่นเลยนะนะระดับที่หนึ่งอะไรจุดหมายขั้นตาเห็นทิฏฐธรรมิกัตถะที่เป็นรูปธรรมปัจจุบันทันตาอะไรบางนึงอะไรนะว่าดังๆ อุทฐานสัมปทาอ๋ออันนี้เป็นวิธีเนี่ยเดิมากท่องกับเป็นประโยชน์ปัจจุบันที่จริงสข้อเนี่ยไม่ใช่ตัวประโยชน์มันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดหมายนียอุทฐานสัมปทาถึงพร้อมในความขยันหมั่นเพียรอรักษสัมปทาถึงพร้อมในการรักษากาลยานมิตตามีมิตรดีงามและสมชีวิตตาเล็กชีวิตพอดีอันนี้ท่านเรียกว่า เป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบันไม่ใช่ตัวประโยชน์และประโยชน์ปัจจุบันจะในที่นี้จํากัดเฉพาะทรัพย์สินเงินทองซึ่งแครนะ์ความจริงพระพุทธเจ้าตรัสในมากกว่านี้เยอะนะเอาตัวประโยชน์คืออย่างนี้ตัวประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยหนึ่งทรัพย์สินเงินทองเรื่องเศรษฐกิจอันนี้อันนี้คือตัวประโยชน์ตัวจุดหมาย แล้วที่อุทฐานแะสัพทานนันเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้ประโยชน์อันนี้นี้เวลาอ่านในแบบในตำราเนี่ยมันพลาดอะนนั้นก็เลยบางทีเข้าใจผิดอันนึงนนั้นเป็นตัวประโยชน์แล้วถึงข้อมด้วยความหมั่นมันจะเป็นตัวประโยชน์หรือจุดหมายได้ยังไงใช่มมันเป็นไม่ได้มันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดหมายน ตัวจุดหมายคือหนึ่งการมีทรัพย์สินเงินทองอย่างน้อยพึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจนี่อันที่หนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องเงินทองมากสาหรับครึ้นหัดอย่ามาว่าพุทธศาสนานี่ไม่เอาใจใส่วัตถุพูดต้องพูดแยกให้ถูกเป็นด้นดานๆท่านถือว่าวัตถุอย่างเดียวไม่พอแต่ไม่ใช่ไม่สาคัญ แล้วก็สําคัญต่อชีวิตในแต่ละดับไม่เหมือนกันสําหรับคราทุหัสําคัญแบบหนึ่งสําหรับพระสําคัญอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันต้องแยกแยะให้ถูกอย่าพูดคลุมคุมก็เอาละหนึ่งก็คือเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ต้องใช้หลักที่ว่ามีความขยันหมั่นเพียรเป็นต้นเก็บรักษาใช้จ่ายให้เป็นเลยวางแผนอะไรพวกนี้นี่ก็จุดหมายที่หนึ่ง ด้านทรัพย์สินเงินทองพึ่งตัวเองในทางเศรษฐกิจสองสถานะทางสังคมอย่างน้อยทำตัวให้เป็นที่ยอมรับไม่น่ารังเกียจแล้วก็ก้าวหน้าไปในยศตำแหน่งหน้าที่การงานมียศศัก์ปริวานนี่เรียกว่าเป็นขั้นด้านที่สองของประโยชน์ประจุดหมายทันตาหรือปัจจุบันแลสามก็เรื่องอะไรเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างพระพุทธเจ้า่า ตรัสขบพระเจ้าพระเสณทีธโกศลเล่าแทรกกนะับญาติโยมจะได้ฟังด้วยนะยีพระเจ้าพระเศณทีธิโกศลเนี่ยมีพระชนมายุเท่าพระพุทธเจ้าอันนี้ก็รักพระพุทธเจ้ามากมีโอกาสก็ไปฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้พระองค์เนี่ยสเสวยจุสเสวยจุก็ส่งพระอ้วนนะีอันนี้ก็อ้วนก็อุ้ยอ้ายนะีอุ้ยอายแล้วก็อึดอัดเนะีย เวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าวันหนึ่งนี่เสวยไปใหม่ๆนี่พอไปประทับนั่งแล้วทีนี้ก็ทรงอึดอาดพระพุทธเจ้าทรงสังเกตเห็นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสคาถาออกมาซึ่งโดยสาระสาคัญก็บอกว่าเนี่ยผู้ที่มีสติแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคให้พอดีเนี่ย ก็จะย่อยการย่อยต่างๆก็เป็นไปได้ดีแล้วก็จะมีอายุยืนและพระอง์ก็ตัดโดยสาระสาคัญธรรมนองเนี้ยพระเจ้าประเสริที่โกศลก็ทรงเข้าใจว่าพุทธเจ้าทรงเตือนพระองค์นะด้วยความปราถนาดีก็เลยทรงหันไปตรัดกัราชวัร ล, ลบนะคือผู้ติดตามคนสนิทนั่นเอง บอกว่าหลานเป็ น, ปนหลานในเวลาฉวนลบุญเนี่บอเอ้าช่วยจําไว้หน่อยคาถานี่ท่องไว้เวลาฉันสเสวยแล้วนะเวลาจะเริ่มตักช้อนแรกแลรารีบว่าคาถานี้เลยอย่างนั้นคือเกรงว่าพระองค์เนี่ยจะเผลอใช่ไหมเพราะว่าสเสวยจุพอจะสเสวยพอเริ่มตักคําแรกก็ให้หลานในว่าคาถานี้พอว่าคาถานี้พระเจ้าประเสรเิฐที่โกศลก็ระวังพระองค์ ต่อมาหลายหลายเดือนปรากฏว่าพระเจ้าเปรตนิธิโกศลเนี่ยทรงมีพระวรากายกับปรีก้กระเปล่าขึ้นวันหนึ่งก็เลยทรงมาปลาลบลำลึงลำพึงกับพระองค์เองเหรอพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีความปรารถนาดีต่อพระเจ้าเปรตนิธิโกศลคือตัวพระองค์เองเนี่ยไม่เฉพาะด้านสัมปรายยิกัตถะประโยชน์ทางนามธรรมเท่านั้น พุทธเจ้าทรงปรารถนาดีต่อพระองค์แม้แต่ทิฏฐธรรมิกัฏฐะด้วยนี่แหละเห็นไหมที่พุทธเจ้าจัดประโยชน์ปัจจุบันอันหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพอันนั้นก็การรักษาสุขภาพนี่ก็เป็นจุดหมายชีวิตปัจจุบันอันหนึ่งแล้วต่อไปก็สี่ก็เรื่องชีวิตครอบครัวถ้าใครมีครอบครัวก็อยู่กันให้มีความผาสุกอบอุ่นด้วยดีและสี่ข้อเนี่ยคือจุดหมายชีวิตในระดับ รูปธรรมปัจจุบันทันตาคาหัสต์ก็ต้องพยายามทำให้ได้ต่อไปท่านบอกว่าไม่พอนะจุดหมายขั้นตาเห็นต้องก้าวต่อไปอีกจุดหมายขั้นที่สองเลยตาเห็นเป็นนามธรรมาลึกซึ้งในต่างจิตใจเลยไปถึงโลกนะ่ะเรียกว่าสัมปรา ย, ยิกัตถะก็ได้แก่อะไรบ้างหนึ่งมีหลักยึดเนี่ยวจิตใจมีศรัทธา เช่นในพระศาสนาในพระจารายในการทำความดีก็จะทำให้จิตใจในไม่อ่างว้างว้าเวว่ น, นี่ก็เป็นข้อที่หนึ่งเรียกว่าศรัทธาแล้วก็สองก็มีชีวิตที่สุจริตทำความดีเว้นความชั่ว อันนี้ก็ทำให้เรามีความภูมิใจในชีวิตของตนเองที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วสก็ได้ทำคุณประโยชน์เรียวกว่าจากขะได้ใช้ชีวิตนี้ทำความดีทำประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์กับสังคมและลึกเมื่อไหร่ก็มีความสุขแล้วก็สี่มีปัญญารักษาตนแก้ปัญหาได้แล้วก็หก็ทำแต่กรรมดีมั่นใจในโลกหน้าอันนี้ก็เป็นสำหรายิกัตถะประโยชน์ที่เลยไปลึกซึ้งทางจิตใจ สัมภาระยึกัตถานี้ก็มาเป็นหลักประกันที่จะทำให้กัตถะว่าเรามีประโยชน์ปัจจุบันรูปธรรม ท, ทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศฐานะแล้วถ้าไม่มีประโยชน์เลยตาเห็นนามธรรมามาช่วยก็อาจจะลุ่มหลงโมเมาแล้วใช้ไปในทางไม่ดีคนมีเงินทองทรัพย์สินยศบริวาร น, นี้อาจจะใช้ในทางชั่วร้ายก็ได้ยิ่งเป็นโทษมากแต่พอมีสัมภรา ย, ยิกัตถะมาก็คุมใ ห, ให้ใช้ในทางดี ยิ่งมีเงินมากยิ่งมีทรัพย์สิน ย, ยศรยบริวารมากก็ยิ่งทำประโยชน์ได้มากนั้นสองระดับที่ประสานกันก็อย่าหยุดแค่ทิฏฐธรรมิกัตถะต้องกล้าไปสู่สัมปราชิกัตถะด้วยต่อไปก็ยังไม่พอยังอีกขั้นหนึ่งก็คือคนเรานี้คนดีคนร้ายก็อยู่ใต้อำนาจของกฎธรรมชาติมีอนิจจังไม่เที่ยงเป็นต้น ดังนั้นก็เราก็อยู่ใต้กฎธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงมีโลกธรรมปรากฏขึ้นก็มีความทุกข์มีความสุขไปตามความผันแปรนั้นท่านก็เลยบอกว่าให้ก้าวไปสู่ประโยชน์สูงสุดก็คือการมีปัญญารู้เท่าทาันความจริงของโลกและชีวิต ไม่รู้เข้าใจความจริงของโลกชีวิตทําจิตใจให้เป็นอิสระได้ก็จะไม่ตกอยู่ใต้อํานาจโลกธรรมความพันผุนเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งดีทั้งร้ายก็จะมีจิตใจที่มั่นคงเป็นจิตใจที่ปลอดโปร่งผ่องใสเป็นจิตเกษมไต้ตลอดเวลาอันนี้ถ้าเรียกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นประโยชน์สูงสุดเป็นข้อที่สปรมาถะนะก็แปลว่าจบ ชาวพุทธก็ต้องพยายามดำเนินชีวิตให้บรรลุจุดหมายทั้งสาขั้นและสามขั้นนี้ก็แบ่งเป็นสด้านหนึ่งประโยชน์สาขั้นนี้ทําเพื่อตอนเองเรียกว่าอัตัถะสประโยชน์หรือจุดหมายสามขั้นนี้ช่วยผู้อื่นให้เขาบรรลุ ด, ด้วยเรียกว่าป ร, รัชญาสสิ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันทั้งทางวัตถุและนามธรรมเนีเช่นสิ่งสาธารณูปโภค แล้วก็เรื่องของศีลธรรมวัฒนธรรมอะไรที่จะดํารงสังคมของเราให้อยู่ดีให้เป็นสิ่งที่เอื้อโอกาสกับทุกคนนี่เรียกว่าอุปยัตตประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันก็ทําให้ครบสามด้านประโยชน์สาขั้นทําให้ครบสามด้านนี้ก็เป็นการบริบูรณ์ก็จบหลักการครองชีวิตนอกจาก น, นี้แล้วก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยก็ขอให้ทั้งสามท่านนี้ได้ ช่วยกันนำเอาหลักคีวินัยนี้ปฏิบัติแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาเพื่อให้สังคมไทยนี้ซึ่งเป็นสังคมชาวพุทธเนี่ยสมชื่อเป็นชาวพุทธนะไม่ใช่เป็นสังคมเหลวไหลตกอยู่ในอบายจะได้มีความเจริญมั่นคงต่อไปก็ขออนโมทนาในการที่ได้มาอุปสมบทพร้อมด้วยความร่วมใจของคุณพ่อคุณแม่ญาติมิตรทั้งหลาย ที่มีมีความรักความเมตตาก็เป็นพรที่ท่านมาวันนี้ก็มาด้วยความรักได้รับทั้งพรพระรัตนตรัยพรจากคุณพอ่อคุณแม่ญาติมิตรท่านทั้งหลายที่เมตามตาเมตย์ก็ขอร่วมส่งเสริมกําลังใจอาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรรัรนตนตยานุภาเวนะรันตนตยเตชะสา ด้วยเดชานุภาพคุณพระจันตรัไตรพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วด้วยการอุปสมบทบวชเรียนครั้งนี้จงเป็นปัจจัยพิบาลรักษาให้ทั้งสามท่านเจริญด้วยจจตุลพิธพรชัยพังพร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องลุงป้าณอาทั้งหลายขอให้เจริญก้าวหน้า ในการดำเนินชีวิตและกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนให้บรรลุผลสำเร็จสมความุ่งหมายสามารถบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชีวิตตนแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่ชาวโลกนี้ทั้งหมดให้มีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกเมือ่อเทิน